หมวดหนึ่งะสำคัญมากนะฉันเรียกว่าธรรมที่มีอุปการะมากหมายถึงธรรมที่เกื้อกูลในการทำกิจรวมทั้งการทำความดีทั้งปวงที่จริงไม่ใช่แค่เกื้อกูลต่อการทำกิจนะแต่ยังเกื้อกูลต่อการดาเนินชีวิตด้วยธรรมที่มีอุปการะมากที่ว่าเนี่ยมีแค่สองนคือ หสติสองสัพพัญญะสตินีท่านก็แปลว่าความระลึกได้สัพพัญญะญญความรู้ตัวบางทีท่านก็แปลง่ายๆว่าสติคือไม่ลืมสัปพัญญะคือไม่หลงและทั้งสติและสัพพัญญะเนี่ยก็เกื้อกูลกันมากสัพพัญญะบางทีเราก็เรียกง่ายๆความรู้ตัวอันนี้สัมพันธ์กับสติมากนะ เพราะว่าสติเนี่ยมันจะช่วยพาจิตหรือกากับจิตให้มาอยู่กับเนื้อกับตัว่างที่ไหลจะไหลลอยไปกับความคิดจนลืมเนื้อลืมตัวหรือลืมสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันสติก็จะพาจิตนะให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะจิตกำลัอยู่กับเนื้อกระตัวก็เกิดความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวเนี่ย ที่เป็นพื้นฐานก็คือความรู้กายนะหมายความว่าเวลากายทำอะไรก็รู้ว่าทำอย่างที่ในพระสูตรเนี่ยมสติปัฏฐานสูตรเนี่ยก็จะมีพูดถึงว่าเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อยืนก็รู้ว่ายืนเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งเมื่อนอนก็รู้ว่านอน ไอเดินยืนนั่งนอนนี่ก็เป็นอาการของกายเรียวเอเรียบทแล้วเราก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรมากนะก็แค่เดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนอันนี้เรียกว่ารู้กายแล้วก็รวมไปถึงว่าทําอย่างอื่นด้วยนะ ไม่ใช่แค่อิริอิริอิริบทสีประการที่ว่าอย่างที่พุทเจ้าตรัสว่าเนี่ยนะเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังก็รู้ตอนใช้วรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังนะเวลามองไปข้างหน้าหรือเหลียวซ้ายและขวาก็รู้สึกตัวเวลาคู่เดียดแขนขา ก็รู้สึกตัวต้องความรู้สึกตัวเวลาสะพายบาทพลาดสังาติหม่มจีวรหรือแต่งเนื้อแต่งตัวก็รู้รู้นี่คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวกระทั่งเวลากินดื่มเช้ยวลิ้มรู้สึกตัวแม้กระทั่งเวลาอุจจรล ป, ปัสสาวะรู้สึกตัวนะเวลาเดินยืนนั่งหลับนะตื่นนิ่งพูด ไอ้พวกนี้เป็นเรื่องของกายทั้งนั้นนะเราใช้กายในการเดินยืนนั่งนอนใช้กายในการเลียวซ้ายและขวานะนุ่งห่มจีวรหรือเสื้อผ้าน่าสนใจนะไม่มีาศาสนาใดที่พูดถึงการฝึกจิตด้วยการทำความสึกตัวแล้วก็แนะนำนะ การปฏิบัติอย่างชัดเจนไปดูในศาสนาอื่นจะไม่ค่อยจะไม่มีพูดแบบนี้เลยให้ทำความรู้สึกตัวเวลาเดินยืนนั่งนอนเป็นต้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญมันเป็นพื้นฐานก่อนของการทำความรู้สึกตัวจนไปถึงการที่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็รู้ ทันความคิดและอารมณ์ไม่ปล่อยให้ความคิดและอารมณ์ครอบงำจิตใจเวลาพูดถึงรู้กายเนี่ยนะสิ่งสมคัคือความรู้ตัวทั่วพร้อมนะรู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้รวมรวมนะแม้ว่าเวลาเรานั่งสร้างจังหวะเราเราจะมีการเคลื่อนไหวมือ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านให้รู้ทั้งตัวเรว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเวลาเดินก็เหมือนกันนะแม้เราจะใช้ขาเดินมีการขยันขยับที่ขาแต่ว่าก็ควรจะทำความรู้ตัวทั่วพร้อมคือไปรู้ทั้งตัวซึ่งที่จริงเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องพยายามไม่เหมือนกับการรู้เฉพาะจุดนะบางคนตั้งใจ จะให้รู้ชัดๆก็เลยไปเพ่งนะเพ่งที่เท้าเพ่งที่แขนเพ่งที่มือนะหรือเพ่งที่ลมถ้าเป็นอนาปานสติถ้าทำงั้นน่มันจะรู้เฉพาะจุดและมันจะไม่ใช่เป็นธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยมันจะรู้รวมๆเมืม่อไหราเรามองภาพนะภาพใหญ่ๆเนี่ยหรือภาพเช่นจอโทรทัศน์เนี่ยเราก็จะมองรวมๆนะ เว้นแต่ว่ามันจะมีบางมุมที่เราอยากดูละเอียดเราก็จะไปดูเฉพาะจุดเราสังเกตดูเวลาเราดูภาพโฆษณาภาพหรือป้ายใหญ่ๆเนี่ยเราจะดูรวมๆเราจะน่าอาจจะดูเฉพาะจุดไม่ต้องดูอื่นไกลนะดูหน้าคนเนี่ยเวลาเราดูหน้าคนที่มาคุยกับเราอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราก็จะเห็นภาพรวมๆนะเราไม่ได้ดูเฉพาะจุดนะ เช่นตาจมูกปากคางไม่เนะี่ยเรารวมรวมดูรวมรวมเราก็รู้นะว่าเป็นใครแต่ถ้าดูเฉพาะจุดนะมันมันความตั้งใจเกินไปแล้วจิตเราเนี่ยถ้าไปบังคับให้มาดูเฉพาะจุดเนี่ยมันทําไปนานๆมันก็อึดอัดนะมันเหนื่อยมันเมื่อยเพราะจิตมันไม่ชอบนะที่ถูกบังคับให้ ทำในสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นวิสัยของมันฉั้นคนที่เพ่งเนี่ยนะเพ่งที่เท้าเพ่งที่มือเนี่ยเพราะอยากจะรู้ชัดๆเนี่ยหรืออยากจะรู้กายชัดๆเนี่ยทำไปนานๆนอาจจะไม่ถึงวันรือ้ออาจจะทําสักวันสองวันจะปวดเมื่อยเครียดนะเพราะไปบังคับจิตแต่ถ้าเราปล่อยให้ใจเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเกิดนะ การรู้รวมรวมหรือว่ารู้ตัวทั่วพร้อมถ้าใจามันอยู่กันเนื้อกับตัวนะเพราะนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราไม่ต้องไปดิ้นรนนะหามันมากนะเพราะมันเป็นธรรมชาติของใจยอยู่แล้วถ้าใจายอยู่กันเนื้อกับตัวเมื่อไหร่ถ้าไปไม่ไปบังคับเขาให้ไปเพ่งเฉพาะจุดเนี่ยมันก็จะรู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้รวมรวมแต่ก็ จ, จะมีความรู้สึกบางส่วนที่มันชัดเจน ใยเช่นระหว่างที่นั่งอยู่เนี่ยความรู้สึกที่ชัดเจนคือยกมือไปมาหรือระหว่างที่เดินความสึกส่วนที่ชัดเจนคือเท้าขคยเยื่นเยับแต่ว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานหรือฉากหลังคือความรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นต้องเข้าใจตรงนี้นะเวลารูกาเนี่ยมันหมายถึงความรู้ตัวทั่วพร้อม ซึ่งอย่างที่บอ้องอาศัยสติมาช่วยนะให้จิตเนี่ยที่มันไหลลอยไปกับความคิดเนี่ยมันหลุดจากความคิดกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้สติเนี่ยที่เราแปลว่าความระลึกได้เนี่ยที่จริงมันก็เป็นคําแปลแบบรวมๆนะปกติเนี่ยสติเราก็มีกันอยู่แล้วนะ แล้เราก็ใช้สติอยู่ทุกวันแต่สติที่เราใช้เนี่ยมันต่างจากสติที่เราตั้งใจฝึกนะในสติที่เราตั้งใจฝึกเนี่ยมันเป็นสัมมาสติแต่สติที่เราใช้อยู่เนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงวันนี้นะมันส่วนใหญ่เป็นสติแบบเรียกว่าพื้นฐานและสังเกต น, นะสติที่เราใช้ในชีวิตประจาวันเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นความระลึกได้ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วในเรื่องที่เป็นอดีตเช่นจำได้ว่าก่อนมาขึ้นมาที่นี่วางรองเท้าไว้ที่ไหนจำได้ว่าเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรจำได้ว่าเมื่อเช้าอาจารย์สมใจพูดเรื่องอะไรเนี่ยหรือเวลามีคนถามว่าเนี่ย เสียกรุงครั้งที่2เมื่อไหรน่เราก็ตอบได้นะ 2,310 อันนี้ก็เป็นเรื่องความระลึกได้ในความรู้ข้อมูลที่เราได้เรียนมาอาจจะเรียนมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่มัธยมแต่ก็ยังจำได้แต่ว่าสมาสติเนี่ยมันเป็นความระลึกไดในเรื่องปัจจุบันนะไม่ใช่เรื่องอดีตเช่นเวลาเราขณะที่เราสวดมนต์เนี่ยใจเราลอย ประเดียเด๋ยกึกขึ้นมาได้แล้วว่าเรากำลังสวดมนต์อยู่จิตมันกลับมาเลยกลับมาที่ไหนกลับมาอยู่กับปัจจุบันอันนี้เรียกว่าความระลึกได้นะแต่ไม่ใช่ระลึกได้เรื่องอดีตแต่ระลึกได้ในเรื่องที่เป็นปัจจุบันกําลังทาําอะไรอยู่หรือขณะที่กําลังฟังคำบรรยายเนี่ยใจ ล, ลอยๆคิดโน่นคิดนี่สักพักมันนึกขึ้นมาได้นะว่ากําลังฟังทำอยู่นะก็กลับมาเลย อันนี้แหละเราใช้สติที่เรียกว่าสัมมาสตินะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยพร่องอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจำเรื่องอดีตได้มากแต่ว่าลืมสิ่งที่กำลังทำในปัจจุบันเพราะว่าใจลอยเพราะว่าใจไหลไปไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นเราเรียกว่าไม่รู้เนรู้ตัวไม่อยู่กับปัจจุบันอันนี้สตินะ ที่เรามีส่วนใหญ่มันก็เป็นสติที่เป็นเรื่องนอกตั ว, ล, วลึกได้เลือกนอกตัวและลึกได้ว่าวางรองเท้าไว้ที่ไหนเราลึกได้หรือจําได้ว่ากินข้าวกับอะไรเมื่อเช้าไอ้พวกนี้มันนอกตัวนั่นแหละหรือบางทีก็นึกได้ถึงเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฝังใจเราหรือว่าที่ประทับใจเราเช่นถามว่าเนี่ย ช่วงไหนที่เรามีความสุขที่สุดในชีวิตเนี่ยอันนี้เราก็ใช้สตินะั้นในการระลึก้วันที่เราได้ไปเที่ยวกับพ่อแม่และท่านภาคภูมิใจที่เราเรียนจบนี่ปริญญาตรีอันนี้เป็นความระลึกได้ในเรื่องอดีตและเป็นเรื่องเหตุการณ์แต่สัมมาสตินี่เป็นการระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจ เราลึกได้ว่าตอนนี้กำลังนั่งอยู่ที่ไหนเราลึกได้ว่ากำลังทําอะไรอยู่รวมทั้งทําให้เราเราลึกรู้นะความคิดที่กําลังพาใจล่องลอยจนลืมเนื้อลืมตัวเรียกว่าเห็นความคิดนะก็ทําให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ อนนีสติทั่วไปเนี่ยหรือความระลึกได้หรือนึกได้เนี่ยมันยังมีลักษณะอีกอย่างนึงนะคือบางครั้งเนี่ยมันต้องใส่ความตั้งใจเช่นถามว่าเนี่ยเมื่อเชา้ากินข้าวกับอะไรเนี่ยนะบางทีต้องนั่งคิดสักหน่อยนะย้อนทวนไปสักนิดสักพักถึงค่อยนึกได้ว่าเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเสียกุงเมื่ อ, อไรนะต้องใช้เวลาตั้งใจนึกสักหน่อย อ, อ๋อสองพนสอยเนี่ย แต่ส ม, มาสติคือ ค, อความระลึกได้ว่ากาลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจนะมันนึกขึ้นมาได้เองอย่างเวลาเราใจลอยขณะที่สวมดมนต์แล้วอยู่ๆมันนึกขึ้นมาได้ว่กากาลังสวดมนต์อยู่ใจลอยขณะที่ฟังธรรมเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่านี้เรากำลังฟังธรรมอยู่มันกลับมาเลยถามว่ามันนึกขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้มันไม่ได้ตั้งใจมันนึกขึ้นมาได้เอง อย่างเช่นเดียวกันนะเวลาเราเดินจงกรมเราสร้างจังหวะเนี่ยเรียกว่า 90% ซนะของการฝึกเนี่ยโดยเพาะผู้ใหม่เนี่ยไอตอนเดินนะไม่ค่อยรู้เนื้รู้ตัวเพราะใจลอย ค, คิดนอนคิดนี่แต่ว่าคิดไปสักพักมันก็จะนึกขึ้นมาได้ว่านี่เรากาลังเดินจงกรมอยู่นี่เรากำลังสร้างจังหวะอยู่ถามว่า มันนึกขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้นะแต่มันนึกขึ้นมาได้เองแล้วสิ่งที่เราต้องฝึกเนี่ยคือการตรงนี้แหละฝึกให้มันนึกขึ้นมาได้เองให้มันนึกขึ้นมาได้เองอย่าไปตั้งใจนะถ้าตั้งใจเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แล้วการสอนของเราคือการทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเพื่อเปิดโอกาสให้สติมันทำงาน ให้มันนึกขึ้นมาได้เองหม่ใหมยมันจะนึกได้ช้าคิดไปยาวแล้วถึงจะนึกได้แต่ตอนหลังจะนึกได้เร็วขึ้นแต่ก่อนคิดไป7 8เรื่องถึงนึกขึ้นมาได้ว่ากาลังเดินจงกรมอยู่แต่ตอนหลังเนี่ยทำไปสักสีหชั่วโมงหรือทำไป1วัน2วัน อ, อ๋อมันจะนึกได้เร็วขึ้นต้องจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง บางทีนึกเรื่องเดียวยังไม่ทันจบเรื่องเลยมันก็ระลึกได้แล้วว่ากําลังเดินอยู่แล้วพอมันนึกขึ้นมาได้มันทิ้งเลยนะความคิดเนี่ยมันทิ้งมันวางสลัดความคิดเนเอาไปจากใจเนี่ยเราเรียกว่าปล่อยวางครั น, นี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็อยากจะ คิดให้มันเร็วขึ้นอยากจะนึกให้มันเร็วขึ้นไม่อยากจะไหลลอยไปนานบางคนก็เลยใช้วิธีดักจ้องความคิดนะขณะที่เดินอยู่เนี่ยแทนที่จะมารู้กายนะแต่ว่าไปดักจ้องความคิดเพื่อถ้ามันเผลอคิดและจิตหลงก็จะตบปบความคิดนั่นเลยหรือว่าบี้ความคิดนั่นเลย ทำอย่างนี้ยังไม่ถูกนะเพราะว่ามันเป็นการเพ่งไปแล้วเพ่งแต่มันไม่ได้เพ่งที่มือที่เท้าเพ่งที่กายแต่มาไปเพ่งที่จิตแล้วทำอย่างี้ไปนานๆก็จะหน้า ม, มืดเครียดปวดหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใจเย็นนะปล่อยให้สติมันทำงานเองอย่าไปทำงานแทนสตินะปล่อยให้สติทำงานซึ่งจะว่าไปก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะ เพราะเราไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็เดินไปเดินมาเดินจงกรมเพีเยงแต่ขยันเดินหน่อยหรือขยันสร้างจังหวะนะเป็นการสร้างโอกาสเพื่อให้สติได้ทำงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยื่อเร็วขึ้นเรื่อยต้องใจเย็นอย่าไปใจร้อนนะแล้วก็จะไปโมโหตัวเองที่มันทำไมถึงคิดฟุ้ง ไ, ไกลไปนานอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยปฏิบัติด้วยความคาดหวังจะเอาชนะความฟุ้งให้ได้นะตั้งใจมากไปก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะจะทนไม่ได้นะกับการที่ใจลอยบ่อยๆแล้วกว่าจะระลึกได้นี่โหยนานส่วนหนึ่งก็มักจะเกิดกับคนที่ ปรารถนาความสงบอยากให้ใจมันสงบสงบจากความคิดอยากจะให้มันไม่มีความคิดผุดขึ้นมาในใจเลยขณะปฏิบัติพอมาปฏิบัติด้วยความหวังความปรารถนาจะให้จิตมันสงบพอปรารถนาหรือคิดแบบนี้เข้าก็เลย ไม่ต้องการหรือไม่ชอบความคิดที่มันผุดขึ้นมาก็จะหาทางนะเล่นงานความคิดเหล่านั้นและจะไม่สบายใจเวลาความคิดมันฟุ้งเลยเตลิดไปเคยมีคนเคยมีพระถามหลวงพ่อชานะว่าเวลาภาวนานเนี่ยจิตมันเตลดิดนะฟุง้งทำยังไงนั่งสมาธินเนี่ย มันจึงจิตมันจะสงบหลวงพ่อช้างนั้นบอกมันเตลิก็ปล่อยให้มันเตลิดไปเดี๋ยวมันเบื่อเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดคิดไปเองคือท่านเนี่ยกําลังแน่ว่าจะไปบังคับความคิดอย่าไปพยายามห้ามคิดนะต้องปล่อยให้มันเป็นอิสระหน้าจริงเราคือรู้ทันรู้ทันมันรู้ทันเมื่อ เมื่อมันหลงไปหรือเมื่อมันลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ก็อย่างที่บอกนะการที่จะรู้ทันได้ต้องอาศัยสติและสติมันจะทำงานได้ดีเนะี่ยต้องต้องให้เขาให้อิสระกับเขานะหน้าที่ของการหน้าที่ของเราคือให้โอกาสกับสติในการทำงานอย่าไปทำงานแทนสติถึงแม้ว่าใหม่ใหมสติจะทำงานช้า แต่ว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้เสรีได้ทำงานบ่อยๆทำงานบ่อยๆก็จะคล่องแคล่วเหมือนกับเราให้ลูกล้างจานทำความสะอาดห้องน้ำใหม่ๆเนี่ยลูกก็ล้างจานไม่่อยสะอาดทำความสะอาดห้องน้ำก็ไม่เรียบร้อยพ่อแม่บางคนก็ใจร้อนนะก็ทำเองซะเลย สุดท้ายลูกก็เลยทำให้เป็นแต่ถ้าเกิดปล่อยให้ลูกทำนะถึงแม้ว่าใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบแต่ทำไปเรื่อยๆเด็กก็จะทำงานได้คล่องแคล่วมากขึ้นและต่อไปก็จะสบายเรานะเราไม่ต้องทำนะให้ลูกทำนะเพราะฉะนั้นเราต้องวางใจนะวางใจสติ ให้สติเขาทำงานแล้วก็อย่างที่บอกนะไอ้สมาสติเนี่ยคือความระลึกได้ว่ากาลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันผุดขึ้นมาได้เองมันเกิดขึ้นมาเองไม่ได้เกิดจากความตั้งใจนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาเองก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันอ้เหตุปัจจัยที่สติมันจะผุดขึ้นมาหรือทำงานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรา สิ่งที่เราทำได้คือเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานก็คือทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใหม่ๆเนี่ยจึงควรเอาปริมาณเป็นหลักเอาปริมาณเป็นหลักอย่าเพิ่งเอาคุณภาพบางคนเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหลายเรื่องโดยเพราะเรื่องทางโลกพอมาปฏิบัติธรรมก็ พอเริ่มทำก็จะเอาคุณภาพเลยนะคือว่ามันต้องมีสติต้องมีความสึกตัวต้องใจต้องสงบเลยอันนั้นก็จะทำผิดทำพลาดได้นีพอพอสติมันมันรู้ทันความคิดนะลักษณะเด่นของการรู้ทันคือมันจะรู้เฉยๆนะรู้เฉยๆโดยไม่ตัดสินไม่ทำอะไรกับความคิดนั้นไม่ผักใสไม่ไหลาตาม การรู้ทันความคิดหรือรู้ใจเนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นก็คือรู้เฉยๆนะรู้กายเนี่ยลักษณะเด่นคือรู้ตัวทั่วพร้อมนะแต่ว่ารู้ใจเนี่ยหรือรู้ความคิดหรอารมณ์เนี่ยลักษณะเด่นออกมาคือรู้เฉยๆหรือรู้ซื่อๆซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าหลายคนพอรู้แล้วเนี่ยมันไม่เฉยจะเข้าไปบี้ไปจัดการกับความคิดหรือารมณ์ ต้องยั้งเอาไว้นะแล้วก็แค่รู้เฉยๆไม่ตัดสินนะอย่างที่หลวงพ่อเขียว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องใจเย็นนะ